เห็นการเกิดดับทีนี้ถ้าหากว่าจิตจะละวางจากการเพ่งพิจารณาดูรูปโดยอัตโนมัติตามที่กล่าวมาแล้วโลกที่ปรากฏการเป็นเครื่องรู้หายไปหมดก็ยังเหลือแต่จิตซึ่งเป็นตัวนามตอนนี้นามธรรมาย่อมจะเกิดขึ้นภายในจิตอันเป็นส่วนละเอียด และคล้ายๆกับจิตนั้นนิ่งละเอียดอยู่เฉยๆส่วนที่รู้ก็ปรากฏการขึ้นอยู่แต่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรจิตตัวผู้รู้ก็มีอยู่สิ่งให้รู้ก็มีปรากฏอยู่อย่างนั้นเพราะจะเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ถูกดังนั้นในธรรมจักรกับปวัตนสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังกินจิต สมุทยะธรรมังสัพพันตังยโรท ธ, ธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาที่เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็เพราะสัจธรรมของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตนั้นย่อมไม่มีสมมุติอันใดที่เราจะไปเรียกว่าอะไรเป็นอะไรทั้งนั้น อนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปรากฏขึ้นภายในความรู้ของนักปฏิบัติก็มีสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่คำว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปรากฏขึ้นขณะที่จิตรู้เห็นความเป็นจริงดังนั้นศัพท์หรือคำที่ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาหรือพระไตรลักษณ์นั้นถ้าหากว่าจิตรู้แล้วไม่มีสมมติบัญญัต พระพุทธเจ้าเอาภาษาอะไรมาพูดควรทำความเข้าใจว่าเมื่อจิตของพระพุทธเจ้าถอนออกมาจากสภาวะรู้พระไตรลักษ์อย่างจริงจังแล้วเมื่อจิตมีอาการไหวขึ้นความคิดประหลาดมันจะเกิดขึ้นคือสมมุติบัญญัตินั้นเองแล้วมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อพระไตรลักษ์อนิจจทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้ และอีกอย่างหนึ่งบางครั้งจิตก็อาจจะถอนออกมาเฉยๆและไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรเมื่อจิตถอนออกมาสู่สภาพปกติแล้วโดยวิสัยของผู้รู้เมื่อเกิดอะไรภายในจิตในใจนั้นเมื่อจิตถอนออกมาแล้วจะละทิ้งไปเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านก็ย่อมจะคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราเห็นภายในจิตเมื่อสักครู่นี้คืออะไร แล้วภาษาสมมติบัญญัติมันก็จะเกิดขึ้น